ทำตัวเองคนเดียวให้เป็นหลายคนได้หาะเห<อ>ินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้พวกลือศีชีภัยเขาทำได้พุทธศาสนาเนี่ยทำได้พวกพุทธเจ้าพระหัตถสา ว, วกภูมิอิทธิฤทธิเนี่ยทำได้เรียกว่าอิทธิฤทธิแสดงอิทธิฤทธิอิทธิปฏิหารอาเทษนาปฏิหารดักใจทายใจคนมาหานี่นึกคิดเรื่องอะไร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 ทำชั่วอย่างนั้นจึงเป็นผลอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าอนุสาสนีปฏิหารนี่เป็นเลิศต้องว่าแสดงฤทธิ์ขึ้นมาแสดงฤทธิ์ได้คนทั้งหลายก็ยัชอบเพราะแสดงฤทธิ์ได้แต่แสดงฤทธิ์จบแล้วก็ก็ไม่รู้จะทาอะไรต่อไปอีกคนที่ทำชั่วก็ทำชั่วคนที่ทำดีก็ทำดีอย่างเก่าไม่มีอะไร ที่จะนอกเหนือพอกผูนขึ้นไปแสดงดทิศให้ดูแล้วก็จบได้ยินได้ฟังแล้วก็จบอธาอเทศนาปฏิหารดักใจทายใจผมคิดเรื่องอะไรดักใจพูดให้ฟังได้แล้วก็จบแต่ส่วนอนุ a าสนีปฏิหาร อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะในพระไตรปิฎกในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยว่าอนุสาสนิปฏิหารเลิศกว่าปฏิหารสองอย่างนั้นแต่ถ้าหากนราได้ทั้งสองอย่างมาประกบกันทั้งอิทธิปฏิหารด้วยทั้งอเทศนาปฏิหารด้วยแล้วก็พร้อมกัา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 เรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราจนตรอกจน ม, มุมมีอำนาจน้อยกว่าเขาเหนือกว่าเขามาเหยียบเรานะในใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรนั่นแหละในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียความรู้สึกมีความทุกข์ใจในเมื่อเขามาทำกับเราเราก็ทุกข์ใจนี่แหละอันนี้ก็คือกฎระเบียบอะไรกฎหมาย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 เราก็ต้องยอมรับเพราอื่ใช่กฎติกากฎกติกานี่ดีเป็นที่ยอมรับไม่เบียดเบียนกันได้ดีไนี่อันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะอันนี้เราศีลและวินยัยศีลห้าเนี่ยที่พวกเราดูดูใช่ศีลห้าของพระพุทธเจ้าอย่าคิดฆ่ากั น, อ ย, กนอย่าคิดขโมยกันอย่าคิด ล, ลาบละล่วงในสามีภรรยาลูกหลานซึ่งกันและกัน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 ในโลกนี้ชีวิตของเราเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้ามันถึงจุดจบนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะใจดวงนี้จะไปที่ไหนมนโนตัวนี้ยความรู้สึกนึกคิดตัวนี้มันจะไปไหนพรอพูดไดเจ้าดัานว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ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 เป็นต้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นในพวกเราศึกษานะหลักของพุทธศาสนานี่ถ้าจะว่าไปก็สลับทับซ้อนพอสมควรแต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็ตืนถ้ามุกผู้โง่เขาเบาปัญญาแล้วก็ลึกแต่ถ้า ผ, ผู้มีปัญญานึกคิดดูกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเราจะมองเห็นได้อันไหนควรอันไหนผิดอันไหนถูก